เดี๋ยวนี้ไปเทศต่างจังหวัดนะเขาเริ่มรู้แล้วว่าเวลาเทศเนี่ยไม่ให้ถ่ายรูปไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ให้เปิดมือถือเวลาฟังธรรมต้องใช้สมาธิถ้าใจของคนฟังธรรมพอแป๊กนิดเดียวธรรมะขาดช่วงเลยั้นเวลาเรียนธรรมะนะเราเรียนด้วยใจที่มีความสงบ ใจไม่สงบเรียนธรรมะไม่ได้จริง ใ, ใจถ้าสมาธิเสียปั๊บกระแสธรรมก็ขาดช่วงอันนี้ถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติไม่เข้าใจนะ น, นี่ไม่ใช่นักปฏิบัติไม่รู้เคยเห็นทีแรกตงตามมหาบัวไปเทศงานศพนุปุณณลถ้าท่านขึ้นเทศนะคนก็ถ่ายรูปไปไหนะ ท่านก็หยุดพอถ่ายเสร็จแล้วก็ท่านเทศต่อถ่ายอีกนะท่านหยุดครั้งที่สามท่านวักลัานสาราเลยบ <c oughs> อกมันจะโลภกันถึงแค่ไหนถ่ายไม่รู้จักพอธรรมะหมดไปสามกันแล้วแต่นั้นไม่เข้าใจนะว่าทำไมเป็นอย่างนั้นในความเป็นจริงแล้วครูบาอาจารย์สายปฏิบัติเนี่ยเวลาท่านสอนธรรมะท่านไม่ได้มีผัว่า วันนี้จะเทศเรื่องนี้เรื่องนี้อาศัยจิตของคนฟังนะมีความพร้อมขนาดไหนธรรมะก็ออกมาขนาดนั้นถ้าจิตคนฟังวอกแวกนะธรรมะก็ไม่ค่อยดีงั้นไว้ก่อนที่จะฟังธรรมนะต้องทำแจกเราให้สบายอย่างเวลามานั่งรอหลวงพ่อมาเทศนะนั่งภาวนาแต่อย่าให้ซึมบางคนนั่นั่งทำสมาธิไปแล้วซึม ซึมๆก็ภาวนาะมาฟังธรรมไม่ได้เรื่องหรอกธรรมะก็ซึมๆไปด้วยเราต้องมีใจที่รู้ที่ตื่นที่เบิกบานสงบแต่เบิกบานสงบอย่างร่าเริงคนในโลกไม่รู้จักนะคนในโลกรู้จักสงบต้องกระดีกระด้าสงบแต่ร่าเริงเบิกบานเล่เาภาวนาบ่อยๆจิตเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมา พอจิตใจเราพร้อมที่จะฟังธรรมะแล้วกระแสธรรมก็จมาสู่ใจเรามาตามชั้นตามภูมิของผู้ฟังเป็นเรื่องแปลกนะไม่ใช่มาตามที่ผู้เทศจะสอนให้อันนี้เป็นมาตั้งแต่พุทธ ก, กาลละเวลาคนไปฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าธรรมะของพระเจ้าเป็นธรรมะภ า, าคปฏิบัติเท่านั้นท่านไม่ได้สอนปริยัติเล่นๆหรอก เป็นเรื่องการปฏิบัติล้วนๆเลยทุกคนที่มาฟังท่านเทศนะก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าท่านเทศเฉพาะเจาะจงให้เราฟังนี่เป็นความรู้สึกอย่างนี้ทุกคนในความเป็นจริงแล้วแต่ละคนนั้นมีความรู้ความเข้าใจไม่เท่ากันเลยนะบางคนฟังก็ได้ขั้นต้นๆคนฟังก็ได้ธรรมะที่สูงขึ้นสูงขึ้นเป็นลำดับลาดับประโยคที่ท่านพูดประโยคเดียวกันนั่นเอง แต่พอถ่ายทอดเข้าสู่ใจของเราแล้วเข้ามาไม่เท่ากันเข้ามาตามคุณภาพของจิตใจผู้ฟังแต่ผู้ฟังทุกคนจะมีความรู้สึกเหมือนว่าท่านเทศเฉพาะเจาะจงให้เราฟังเนี่ยความอัศจรรย์ของธรรมะของพระ เ, เจ้าเป็นอย่างนี้เี่งถ้าเราใจของเรามีความสงบรู้ตื่นเบิกบานเรารับธรรมะที่ประณีตได้ธรรมะประโยคเดียวกันนะเราก็รับได้เยอะ เคยฟังซีดีหลวงพ่อแผ่นเดียวหลายๆครั้งไหมใครๆฟังความเข้าใจไม่เหมือนกันรู้สึกไหมขเข้าใจไม่เหมือนกันเพราะจิตของเรามีคุณภาพที่แตกต่างกันงั้นเวลาจะฟังธรรมนะบางทีเมื่อก่อนไปอยู่ตามวัดป่าครูบาอาจารย์ให้นั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิไปก่อนพอใจเรารู้ตื่นเบิกบานแล้วท่านก็เทศให้ฟังาก็จะ ได้แงได้มุมซึ่งเรานึกไม่ถึงนะบางมุมนะัเราก็เคยฟังประโยคนี้เคยฟังมานานแล้วแต่เข้าใจเรามีคุณภาพความเข้าใจมนันเปลี่ยนไปในธรรมะนี่มันจะความเข้าใจในธรรมะมันจะเปลี่ยนเป็นลำดับลําดับไปนะทุกขั้นทุกตอนเล ย, ยธรรมะที่ยากที่สุดคืออริยสัจเป็นธรรมะที่ยากที่สุดลึกซึ้งที่สุด มีเฉพาะในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีที่อื่นเลยในเรื่องอริยสัจความเข้าใจอริยสัจเวลาที่เราเรียนทีแรกนะกับเราพานาไปเรื่อยนะความเข้าใจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างทีแรกเราได้ยินว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกขนะ์เราจะคิดว่าคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุกขนะ์พอเราภานาประณี๋ย่ขึ้นไปนะเราก็จะไปรู้สึกว่า เราไม่ใช่คนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุกข์หรอกขันทั้งหลายเนี่ยถ้าเราเข้าไปยึดมันแล้วจะเป็นทุกข์รู้สึกอย่างเงี้ย ไ, ได้ยินคําว่าว่าโดยย่อ อ, อุปาทานขันทั้งห้าเป็นทุกข์ฉะนั้นถ้ามีอุปาทานในขันห้าก็จะเป็นทุกข์มีขันห้าเฉยๆไม่ทุกข์จะเข้าใจอย่างนี้แต่ไม่ใช่คนะ่ะไม่ใช่คนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายละ ขันของเราเกิดขันของเราแก่ขันของเราเจ็บขันของเราตายถึงจะทุกข์ความเข้าใจก็เปลี่ยนพานาต่อไปอีกก็เห็นว่าขันนั่นแหละตัวทุกข์จิตจะมีความอยากจิตจะมีความยึดหรือไม่ก็ตามขันนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ท่านถึงว่าว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้ง5้าเป็นตัวทุกข์คำ ว, ว่าอุปาทานขันไม่ใช่แปลว่าขันที่ถูกยึดมั่น แต่มันเป็นขันซึ่งเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นได้คือขันที่พวกเราทั้งหลายมีกันอยู่นี่แหละขันบางอย่างเนะี่ยไม่จัดเป็นอุปาทานขันเช่นโลกุตระจิตทั้งหลายนะไม่จัดเป็นอุปาทานขันงั้นเอามาทำให้ปัสนาไม่ได้ไม่ใช่ตัวทุกขันทั้งหมดไม่ใช่ตัวทุกนะเฉพาะขันที่เรียกว่าอุปาทานขันคือขันซึ่ง สามารถเอาไปยึดมั่นได้เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นได้ไม่ใช่ว่าขันทั้งหมดไม่ทุกต่อเมื่อยึดมั่นแล้วก็ขันกลายเป็นตัวทุก์ไม่ใช่ในความเป็นจริงขันทั้งหมดเป็นตัวทุกอยู่แล้วจะยึดหรือไม่ยึดนะถ้ามันเป็ น, ป น, ปนชนิดที่เรียกว่าอุปาทานขันมันทุกโดยตัวของมันเองอยู่แล้วในความเข้าใจจากการปฏิบัตินะมันประณีตมากเลย อ่านอ่านเอานะั้นนึกว่าเข้าใจเข้าใจไปคนละเรื่องเลยอย่างเบื้องต้นเข้าใจว่ามีคนคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุกข์ทั้งที่ท่านสอนว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ท่าไม่ได้ว่าคนมันไม่มีคนแต่เราใจของเรามันมีคนอยู่เราฟังธรรมะที่ไม่มีคนนะแล้วก็ตีความให้มันเป็นธรรมะที่มีคนไปหมดเลยเรื่อคลาดเคลื่อน ใจเรายังมีความยึดมั่นในขันทั้งหลายอยู่พอเราฟังเรื่องอุปาทานขันนะเราก็เลยนึกเอาว่าถ้าไม่มีความยึดมั่นก็ไม่ทุกขันทั้งหลายเนะอันนี้ไม่นับพวกโลกุดตรจิตเลยที่ว่านะที่มันอันนั้นเป็นพ้นจากกองทุกข์ไปคือคนส่วนใหญ่เรียนไปไม่ถึงหรอกขันที่พวกเรามีแล้วเนะี่ยตัวอุปาทานขันทั้งหลายต่อภาวนานะทีแรกก็ยังคิดว่า ถ้าเราเข้าไปยึดแล้วขันถึงจะเป็นตัวทุกข์ถ้าเราไม่ยึดขันไม่เป็นตัวทุกข์เข้าใจอย่างนี้ภาวนาจนเข้าใจจริงๆแล้วถึงรู้ว่าขันนั่นแหละเป็นตัวทุกข์จะยึดหรือไม่ยึดขันนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ถ้าความรู้ความเข้าใจมันแค่ว่าถ้ามีความอยากมีความยึดแล้วก็เลยมีความทุกข์ขึ้นมาไปยึดขันแล้วทุกข์เราจะมุ่งมาในจุดที่ว่าทํำยังไงจะไม่ไปยึดขัน จะหาทางไม่ให้ยึดขันคนาศาสนาอื่นเขาก็มีหาทางที่ไม่ให้ยึดอย่างพวกที่ทรมานร่างกายมันรักร่างกายหรอือทรมานมันไปเลยจะได้ไม่รักมันอยากกินเหรอใจมันอยากกินทรมานไม่กินมันหาเรื่องทรมานไม่ตามใจกิเลสพยายามเพียอเข้าไปจัดการแก่จิตใจซึ่งมันจะเข้าไปอยากเข้าไปยึด ในรูปในนามทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าความเข้าใจในอริยศาสตร์ไม่แจ่มแจ้งนะลงท้ายวิธีปฏิบัติมันก็คลาดเคลื่อนนึกออกไหมพอเราคิดว่าถ้าอยากถ้ายึดก็ทุกข์ก็เลยคิดว่าทํำยังไงจะหายอยากอยากกินกูไม่กินแล้แจ้งมันซะเยจะได้ต่อไปจะได้ไม่มีความอยากมุ่งไปจัดการที่ตัวความอยาก แต่ถ้าเข้าใจแจ่มแจ้งในคําสอนของพระพุทธเจ้านีจะรู้เลยว่าขันนั่นแหละตัวทุกข์ไม่ใช่ขันนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างแตขันนี้เป็นตัวทุกล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเนี่ยความอยากให้ขันเป็นสุขไม่เกิดขึ้นความอยากให้ขันพ้นทุกข์ไม่เกิดขึ้นอยากให้มีสุขไปทําไมอยากให้โง่หรือมันไม่มีทางมีความสุขได้เพราะมันเป็นตัวทุกข์อยากให้มันพ้นทุกข์เหรออยากให้โง่สิ พราะยังไงมันก็ทุกข์ไม่มีทางพ้นเลยเนี่ยถ้าปัญญาแก่รอบจริงก็ไม่เห็นขันนั่นแหละตัวทุกข์พอเห็นแจ้งอย่างนี้ความอยากให้ขันเป็นสุขก็ไม่เกิดความอยากให้ขันพ้นทุกข์ก็ไม่เกิดความอยากทั้งหลายแหล่มันก็มีอยู่แค่นี้เองนะความอยากที่ว่ากิเลสพันห้าตันหารนะ้อยแปดอะไรนั้นจริงๆก็อยากให้ขันเป็นสุขอยากให้ขันพ้นทุกขนะ์นั่นแหละย่อๆลงมารักสุขเกลียดทุกขนะ์นั่นแหละ นี่ถ้าปัญญาแจ้งนะมีแต่ทุกข์ล้วนๆอยากไปก็เท่านั้นนะ่ะอยากให้สุขเหรอโงแ่แท้ๆจะสุขได้ยังไงมันเป็นตัวทุกข์เหมือนอยากให้ไฟไม่ร้อนนะก็โงเ่เปล่าๆอยากให้พระาทิตไม่ร้อนนะก็โงเ่เปล่าๆอยากให้มันมีความสุขเหรอมันมีไม่ได้เพราะมันเป็นตัวทุกข์นี่ใจเข้าใจขันเท่านั้นความอยากดับเองเลยใช่ไหมไม่ต้องไปทรมานกายทรมานใจเพื่อจะดับตัณหาเลย ให้รู้ทุกข์แฉมแจ้งนะตัณหาจะดับอัตโนมัติเลยนะถ้าเราเข้าใจตัวนี้นะความเข้าใจมันจะประณีตมากนะจิตนจะสลัดคืนขันให้โลกไปเลยพะจิตมันเห็นแล้วขันไม่ใช่ของดีของวิเศษนะขันนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนะกระทั่งตัวจิตก็เป็นทุกข์ล้วนๆจิตก็อยู่ในขันนั่นเองอยู่ในวิญญาณขันพอมันปล่อยขันทิ้งไปนะไม่มีอะไรให้ยึดถือนะมันก็พ้นจากอุปาทานขัน ผู้พทานกันก็กองอยู่งั้นน่ะกองอยู่กับโลกนั้นเองไม่ใช่ต้องไปทําลายล้างมันมันมีเหตุมันก็เกิดมวลเหตุมันก็ดับบังคับมันไม่ได้แต่ใจไม่เข้าไปยึดถือมันละที่ใจไม่เข้าไปยึดถือมันเพราะรู้ทุกข์เขี่ยมแจ้งรู้ว่าขันทั้งหลายทั้งปวงนี้แหละเป็นตัวทุกข์เพราะฉะนั้นการรู้ทุกข์นี่เป็นเรื่องสําคัญที่สุดเลยนะในทางพระพุทธศาสนาไม่ใช่แค่นั่งสมาธิหวังว่าทําสมาธิไปเรื่อยๆจะพ้นทุกข์ไม่มีทางพ้นเลย ทำสมาธิก็ไปสร้างพบภูมิที่ละเอียดขึ้นมาเองนอกจากการรู้ทุกข์แล้วไม่มีการเห็นธรรมอย่างอื่นเลยไม่มีวิธีที่จะเห็นธรรมอย่างอื่นเลยมีแต่ต้องรู้ทุกข์พอรู้ทุกข์ได้เมื่อไหร่ก็ละสมุทัยได้เมื่อนั้นละสมุทัยได้เมื่อไหร่คือจิตปราศจากตัณหาเมื่อไหร่ก็แจ้งนิโรธคือแจ้งปานิพนานเมื่อนั้นเพราะนิพนธ์คือสภาวะที่สิ้นตัณหา ในขณะที่รู้ทุกข์เขีมแจ้งจนกระทั่งละสมุทัยแจ้งนิโรธแจ้งพระนิพพานในขณะนั้นแหละคือขณะแห่งอริยมรรคเพราะในขณะแห่งอริยมรรคเนี่ยนะมีการทํากิจของอริยสัจสี่เนี่ยครบทั้ง4ี่อย่างมีการทํากิจต่อทุกข์คือรู้ทุกข์เขีมแจ้งมีการทํากิจต่อสมุทัยนะคือละสมุทัยได้เด็ดขาดละได้ด้วยการรู้ทุกข์นั่นแหละมีการทํากิตต่อนิโรธ น, นิพพานคือการเห็นแจ้งเข้าไปเห็นแจ้งเรียกสัจจิกิริยาจิตสัจจิกิริยาจิตจิตจิตต่อพระนิพพานตอนนิโรธคือการเห็นแจ้งเข้าไปประจันะกษ์จิตตอมรรคก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วคือเจริญอริยมรรคขึ้นมาแต่เดิมไม่มีอริยมรรคก็เกิดอริยมรรคขึ้นมาอริยมรรคขั้นนี้ก็เจะเจริญขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งจนถึงที่สุดของอริยมรรคคืออรหัตมรรค ตรงที่เกิดอนาจตามั้งนั่นแหละแจ้งแจ้งอริยสัจ ร, รู้แจ้งทำกิจของอริยสัจ4ี่เสร็จหมดในขณะจิตเดียวกันเลยเป็นเรื่องแปลกนั่งนานทั้งสอย่างทําเสร็จในขณะเดียวกันเลยเห็นพวกเราหัดรู้ทุกนอกจากการรู้ทุก็อย่างอื่นมันก็เป็นเรื่องสมถะไปเท่านะั้นพยายามรู้ทุกให้มากสิ่งที่เรียกว่าทุ ก, ก็คือกายกับใจรูปนามอะไรที่เรามีอยู่นี่แหละ รู้มันบ่อยๆรู้อย่างที่มันเป็นไม่ใช่เข้าไปแทรกแซงนะบางคนภาวนานะอยากแทรกแซงขันนั่งแล้วปวดนั่งแล้วเมื่อยพยายามผมไว้ผมไวนะ้แลเอาชนะใจตัวเองทนนั่งได้เรียกว่าชนะเวทนาลนะ้กูเก่งชนะเวทนาแทนที่จะเห็นว่าเวทนาไม่ใช่ตัวเราเวทนามีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ใจเป็นมุ่งจะเอาชนะตัวเวทนา ยากไปไหมต้องเรียนวันนี้ยังไม่เข้าใจฟังไว้ภาวนาไปเรื่อยรู้รูป ร, รู้นามไปเมื่อไหร่ดูจิตได้ให้ดูจิตเมื่อใดดูจิตไม่ออกให้ดูกายเมื่อไหร่ดูจิตก็ไม่ออกดูกายก็ไม่ออกทําความสงบเข้ามาทําสมถะถ้าหลุดจากสมถะนะก็คือกลับมาอยู่กับโลกนี้แล้วมาหลงโลกแล้วะนั้นเรามี แนวรูกแนวรับนะถ้าฝีมือดีที่สุดเลยก็ไปรู้จิตเอาจิตนี่แหละเป็นที่เกิดของกุศลเป็นที่เกิดของอกุศลเป็นที่เกิดของมรรคของผลแต่ไม่ใช่ที่เกิดของนิพพา น, นนิพพานไม่เกิดอกุศลก็เกิดที่จิตกุศลก็เกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตงันะนถ้าดูจิตได้ดูจิตไปเลยดูจิตไม่ได้มันดูกายเพราะกายเป็นบ้านของจิต ดูกายก็เพื่อวันหนึ่งจะเห็นจิตคล้ายๆเราไปเฝ้าหน้าบ้านไปรักสาวคนหนึ่งไปไม่รู้มันหาตัวไม่เจอนะไปเฝ้าบ้านมอนไเดี๋ยวก็เจอมาดูกายบ่อยๆเดี๋ยวก็เห็นจิตไงั้นดูกายก็เพื่อจะมาเห็นจิตดูจิตก็เพื่อให้เห็นแจ้งเห็นแจ้งเลยนเนี่อกุศลก็เกิดที่นี้แหละกุศลก็เกิดที่นี้แหละมรรคผลก็เกิดที่นี่แหละ จิตนี้ไม่ใช่ตัวเราเมื่อไรเห็นจิตไม่ใช่เรานะจะได้โสดาบันเพราะสิ่งที่เห็นว่าไม่ใช่เรายากที่สุดนั่นก็คือจิตไม่ใช่กายหรอกคนที่เห็นว่ากายไม่ใช่ตัวเรานะในศาสนาอื่นก็เห็นได้หรือพวกเราพาวนากันเดือนเดียวเราก็เห็นแล้วร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่จิตยังเป็นเราอยู่ถ้าอะไรเห็นแจ้งว่าจิตไม่ใช่เรานะ ก็จะไม่เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นตัวเราขึ้นมาได้โสดาบันถ้าเมื่อไรไม่ยึดถือจิตก็จะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกเพราะสิ่งที่เรายึดถือเหนียวแน่นที่สุดก็คือจิตนั่นเองงั้นดูเข้ามาถึงจิตถึงใจได้รู้เข้าไปเลยนี่หลวงพ่อไปเทศที่เชียงใหม่ให้มีครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่องหนึ่งลูกศิษย์ท่านมาบอกว่าท่านอยากเจออยากเจอหลวงพ่อ ไม่บอกชื่อท่านนะเดี๋ยวคนไปขวนประสาทท่านอีกก็ไปหาท่านท่านที่บอกโอ้ดีได้มันรู้จักกันไว้บอกความจริงผมรู้จักาอาจารย์มาตลอดอ่ะก่อนจะบวชยี่สิบสาสิบปีมานี้รู้จักฟังธรรมท่านอาจารย์เหมือนกัน ร, รู้จักท่านก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ท่านเทศไม่ไหวล้วดีให้อาจารย์ประโมทเทศ บอกว่าคนบางทีไปหาท่านนะไปถามท่านว่าที่อาจารย์ประโมชสอนนี่มันถูกหรอสอนเรื่องจิตท่านว่านี่แหละธรรมะแท้ๆต้องเป็นที่จิตท่านว่าเนี่ยถูกที่สุดเลยแล้วท่านเคยไปหาห ล, งดด ล, ลวงปูนะ่ดุลด้วยบอกหลวงปู่นะเทศให้ท่านฟังตั้งองสามชั่วโมงนะ่ะเรียนท่านนะว่าถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติไปหาหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลไม่พูดด้วยหรอก ถามคําตอบคําบางทีถ้าถามหลายคําไม่ตอบเลยอถ้าถามคําตอบคํานะนิดนี้หน่อยหน่อยเนะี่ยตอบามานั่งชวนท่านขวยท่านไม่พูดด้วยแต่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัตินะไปกราบเฉยเฉยไม่ต้องถามนะถึงบางทีพูดจนท่านเหนื่อยควรจะเลิกแล้วท่านยังไม่เลิกเลยเราสงสารท่านด้วยซ้ำไปท่านบอกว่าธรรมะเรื่องจิตเนี่ยลึกซึ้งมากเลยเข้าใจตัวนี้เข้าใจธรรมะทั้งหมด ให้นัาปฏิบัติจริงๆนะครัภาวนาันเข้าถึงจิตถึงใจแล้วมันไม่สงสัยเรื่องจิตหรอกเมื่อก่อนหลวงพ่อไปหาหลวงปู่เหรียนเอ่ยชื่อได้เพราะสิ้นไปแล้วี่เจอท่านครั้งแรกเนะท่านพูดเรื่องพุทโธพี่หนักกายครับแรกเลยที่เจอผ่านมาอีกปีนึงไปหาท่า น, น่ะมีแต่เรื่องจิตล้วนๆเลยเหมือนหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศพูดแต่เรื่องจิตกับใจ หลวงปูู่นย์ก็ลงมาที่จิตเท่านั้นเองนะการเรียนเรื่องจิตน่ะสำคัญวันใดเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเป็นพระโวดาบันเราะจะไม่มีสิ่งใดในโลกเป็นเราอีกแล้ววันใดไม่ยึดถือจิตก็จะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกแล้วนะสิ้นสุดการปฏิบัติกันตรงที่ไม่ได้ยึดถือจิตนะนะั่นแหละหลวงพูดูลสอนให้ทำลายจิตท่านใช้คานี้นะ เมื่อพ่อเฝังเรางงทำลายได้ไงวะอีกวันหนึ่งไปเจอหลว ง, งพ่อพูดหลวงพ่อพก็บอกหลวงพุดูสอนท่านแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าท่านท่านเก่งท่านบอกคาว่าทำลายจิตนะหมายถึงไม่ยึดถือจิตไม่ใช่ไปทำลายจริงๆนะท่านกลัวเราไปทำลายจิตจริงๆเดี๋ยวบ้าไปเลยเราไม่ยึดถือจิตได้เพราะมีปัญญาแก่รอบหรอกว่าจิตนี้เป็นตัวทุกข์ ถ้ายังเห็นจิตเป็นตัวดีตัวพิเศษอยู่ก็ยังยึดอยู่ความรู้สึกว่าจิตเป็นของดีของพิเศษเป็นของเที่ยงเป็นของสุขเป็นของบังคับได้เป็นทรัพย์สมบัติที่เราเอาไว้เฉยชมได้จิตตัวนั้นแหละจันมหาบัวเรียกว่าจิตเอาวิชาจิตผู้รู้ถ้ายังยึดถืออยู่ในจิตผู้รู้อยู่ท่านบอกเลยจิตผู้รู้นั่นแหละตัวจิตเอาวิชา หลวงปู่เทศเรียกตัวจิตผู้รู้ให้คําหนึ่งจิตต้นกําเนิดคือเปจิตอวิชานี่เป็นต้นกําเนิดของความปรุงแต่งทั้งหมดเลยทั้งปรุงชั่วเรียกว่าอาปุญญาพิสังขารทั้งปรุงดีเรียกปุญญาพิสังขารทั้งปรุงว่างๆเรียกอาเนญชาพิสังขารมาจากตัวนี้ทั้งหมดเลยมาจากจิตอันเดียวนี้แหละมีจิตดวงเดียวนะก็ปลุงขึ้นมาปรุงขึ้นมานะจิตก็จะย่างลงไปวิญ ญ, ญ, ญาณจะย่างลงไปในรูปในนามไปยึดถือนั่นน่ะ ความเกิดก็เกิดขึ้นมาจะเกิดในภพใหญ่ๆอย่างเรามาเกิดเป็นมนุษย์ในภพใหญ่ก็เพราะวิญญาณหยั่งลงในรูปนามจะเกิดในภพย่อยๆในจิตของเราก็เพราะว่าจิตนเข้าไปจับอารมณ์เป็นขณะขณะวิญญาณมันก็หยั่งลงนะจิตมันหยั่งลงไปยึดรูปนามเป็นขณะขณะเป็นภพน้อยถ้าภพโดยการเกิดนี่เป็นภพใหญ่ พแต่ละขณะจิตเป็นพบย่อยในพบใหญ่หนึ่งนะมีพบย่อยนับไม่ถ้วนสําหรับจิตอย่างพวกเรานะจิตอย่างพรหมไม่มีจิตอย่างพรหมเนี่ยพบย่อยก็คือเหมือนกับพบใหญ่เหมนน่งทรงอยู่นั้นทรงชานอยู่นั้นงั้นจิตนี่แหละเป็นตัวหัวโจกบถ้าหมดความยึดถือจิตได้สลัดคืนจิตให้โลกได้ไม่มีอุปกรณ์จะไปเกิดอีกถ้ายังยึดถือจิตอยู่ มีอุปกรณ์จะไปเกิดมีจิตดวงเดียวนี้แหละไปสร้างขันห้าได้ขึ้นมาทั้งหมดเลยเาะนันจิตที่มีเชื้ออาวิชาอยู่มีเชื้อเกิดอยู่เหมือนมเมล็ดผลไม้ซึ่งยังงอกได้อย่างเรากินมะม่วงมีเม็ดม่วงมะม่วงน ะ, มะเมล็ดมะม่วงเอาไปปลูกขึ้นเป็นต้นมะม่วงได้อีกจิตที่มีเชื้อเกิดที่จิตที่มีอาวิชาเนี่ยเหมือนมเมล็ดมะม่วงที่ยังไม่ตาย พอสภาวะแวดล้อมเหมาะสมนะมันก็งอกขันห้าขึ้นมาอีกวิญญาณอย่างลงนะก็เป็นปัจจัยของนำรูปขึ้นมาอีกนั่นเราต้องมาเรียนจนเราทําลายเชื้อเกิดในจิตได้นะเชื้อเกิดที่เชื้อโง่เนี่นยแหละเชื้ออวิชานั่นแหละอวิชาก็คือความไม่รู้แจ้งอริยสัจไม่รู้หรอกว่าขันห้านะเป็นตัวทุกข์นะถ้ารู้ว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์ก็ละสมุทยัยอัตโนมัติ หมดความอยากให้ขันเป็นสุขหมดความอยากให้ขันพ้นทุก์มือนพ้นไม่ได้มันเป็นทุกพอรู้ทุกเมื่อไหร่ก็ล้สมุทยัยเมื่อนั้นล้าสมุทัยก็แจ้งนิโรธเมื่อนั้นในขณะเดียวกันในขณะนั้นในขณะแห่งอริยมรคนิโรธสมุทัยนิโรธมรคนี้เกิดในขณะจิตเดียวกันนะเนอะพอรู้ทุกแจ่มแจ้งตัวทุก็ขันห้า ในขันท่าทั้งหลายตัวที่ยึดเหนียวแน่นที่สุดก็คือจิตจิตก็จัดอยู่ในวิญญาณขันธ์ก็ยึดถือเหนียวแน่นที่สุดว่าเป็นตัวกูของกูจนกระทั่งละความเห็นผิดว่าเป็นตัวกูของกูนะก็ยังยึดพระโสดาบันเนะละความเห็นผิดว่าจิตเป็นเราได้แล้วนะแต่ยังยึดอยู่ย่าว่าแต่ยึดจิตเลยร่างกายก็ยังยึดอยู่พระสกทาคาก็ยังยึดร่างกายอยู่พระนาคานี่ไม่ยึดกายลนะ ถ้าจะต้องตายไม่กลัวเลยร่างกายมันจะตายก็ตายไปนะฉันมีจิตดวงวิเศษอยู่แล้วนี่ยรักษาจิตดวงวิเศษนี้ไว้เรียกว่าจิตผู้รู้ผู้ไม่ตายเนี่ยผู้หลงผิดนะว่าจิตผู้รู้ผู้ไม่ตายจิตผู้รู้นั่นแหละตัวอวิชชาล่ะตัวจิตอวิชชาแหละต้องภาวนานะซัดฟอกลงไปในตัวจิตนั่นแหละจนมันจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้ง จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งก็คือเกิดความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งสุดขีดเลยจิตนี้แหละตัวทุกข์นี่แหละเรียกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งถ้าจิตยังเป็นตัวดีตัววิเศษอยู่ไม่เรียกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งนั้นพอจิตแทนจิตอย่างแจ่มแจ้งท่านเลยว่าเป็นมรคหลวงปู่ดูลว่าเป็นมรคเป็นอรหัตมรคนสลัดคืนจิตทิ้งไปคราวนี้มันมีจิตอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นแทน เป็นจิตที่ไม่เสวยอารมณ์นะเป็นจิตที่อิสระจากอารมณ์ทั้งหลายมันว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการสแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างนะเป็นจิตที่ทรงธรรม ล, น ล, นลน้นๆเต็มหัวใจอยู่ันแต่ว่าจะเรียกว่าจิตมันก็ไม่เหมือนจิตที่เราเคยมีนั้นะบางทีหลวงปู่ดูล์บอกว่าจิตนั้นอนะ จะเรียกว่าจิตมันก็ไม่ใช่จิตนะแต่ก็ม่ใช่ม่ใช่จิต <c oughs> ฟังแล้วเวียนหัวแต่ท่านพูดซื่อๆท่านพูดตรงๆพูดถูกเลย <c oughs> จิตตรงนั้นมันไม่เหมือนจิตที่พวกเราเคยมี <c oughs> จิตของที่พวกเราเคยมีมันมีขอบมีเขตมีจุดมีดวงมีที่ตั้งมีการไ ป, ไปการมามีการสวยอารมณ์ <c oughs> จิตที่ปล่อยวางจิตไปแล้วมันเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยตัวนี้แหละ ตัวดีตัววิเศษจริงๆนะแต่ไม่มีเจ้าของอ่ะไม่ได้ยึดถือไว้ก็มีอยู่สับเท่าที่มีขันอยู่เท่านั้นค่อนะยฝึกนะธรรมะของพรเจ้าลึกซึ้งจริงๆจิตต้องประนีตพอนะถ้าจิตเรารับธรรมะได้ระดับไหนเราก็เข้าใจระดับนั้นนะนี่หลวงพ่อเทศแบบเทยามให้นะวันนี้ ไปศึกษาค่อยๆฟังฟังแล้วฟังอีกฟังทีเดียวไม่เข้าใจหรอกมันไม่เห็นจริงต้องดูของจริงกำกับไปด้วยดูของจริงดูรูปดูนามนี่แหละดูด้วยจิตที่ตั้งมั่นสงบตั้งมั่นเบิกบานไม่เอาจิตซึมกระือมาใช้มีจิตเครีย ด, ยด แ, ขแข็งไม่เอานั้นสมาธิไม่ดีเอาไปทานข้าวไปนิมนต์อะ ร, รับนิมนต์